จตุโรจะอสังขเยเนี่ยนะจตุนังอสังขยานังเมตเกเนี่ยเขาบอกในที่สุดเสียสงไขกาไรหรือว่าเศษอีกแสนกับมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอมราวดีมีเป็นเมืองที่น่ารื่นรมงดงามน่าดูแปลว่าเมืองเนี่ยร่ำรวยมากเป็นเมืองที่ไม่เว้นจากเสียงสิบอย่างเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองเสียงสังเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับเสียงดนตรีไม้ เสียงเชิญบริโภคอาหารเป็นที่ครบสิบนะก็คือถือว่าเป็นเมืองใหญ่อ่ะนะเป็นเมืองใหญ่วัตถุของเมืองอัมาราวดีนครเนี่ยบอกว่ามีเสียงดังกึกก้องไปด้วยเสียงมา้าเสียงกลองเสียงสังเสียงรถเสียงเชิญบริโภคอาหารเป็นต้นเมืองนี้เป็นเมืองที่พรั่งพร้อมไปด้วยส่วนประกอบทุกอย่างมีการงานทุกอย่างจัดแจงไว้อย่างดีสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการ กลาดเกลื่อนไปด้วยหมู่ชนต่างๆเจริญมั่งคั่งเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญหรือว่าของผู้ที่ทําบุญไว้แล้วเหมือนกับเทพนะครเทพนะครเหมือนกรุงเทพเหมือนกันนะกรุงเทพมันดังอย่างนี้เสียงสิบอย่างนี่ไม่เว้นไม่ว่างเลยเนี่ยนะสเสียงช้างก็ไปที่ทสวนสัตว์ใช่ไหมเสียงมานี่ก็ไปดูที่สนามมา้าเสียงรถเนี่ยโหทุกติดขนาดเลยนะแล้วก็เสียงกลองอะ่ะเสียงดนตรีนี่ก็ฮึมทั่วไปหมดเลยก็เหมือนกรุงเทพบ้านเราเลยตอนนี้แหละ มันมีคําหนึ่งที่บอกว่าเหมือนที่อยู่ของผู้ทําบุญเนี่ยนะคำว่าบุญเนี่ยนะชื่อว่าบุญเพราะเป็นเครื่องปรากฏอธิบายว่าบุญเนี่ยนะทำให้ปรากฏโดยตระกูลโดยรูปร่างโดยมหาโภคสมบัติแล้วก็ด้วยอํานาจความยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งของผู้มีบุญอั้นผู้มีบุญก็จะได้เกิดในชาติตระกูลที่ดีมีรูปร่างผิวพรรณที่งดงามโภคสมบัติมากแล้วก็ตําแหน่งใหญ่โตเป็นต้น หรืออีกในหนึ่งชื่อว่าบุญเพราะชำระอธิบายว่าบุญกรรมของชนเหล่าใดมีอยู่เพราะละลอยละองมนทินของกุศลทั้งหลายทั้งปวงชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้มีบุญกรรมนั้นใครที่เจริญบุญเรียกว่าผู้มีบุญนะคร น, นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีบุญเหล่านั้นใครบ้างที่มีบุญเหล่านั้นยกตัวอย่างผู้มีบุญขึ้นมาหนึ่งคนคือพรามชื่อว่าสุเมศสุเมพรามเนี่ยนะ สุเมธ พ, พรามนั้นอาศัยอยู่ในนครอมราวดีนั้นเขาเป็นอุปโตสุชาติแปลว่าเกิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายแปลว่าฝ่ายมารดาฝ่ายบิดาเป็นผู้ที่ถือเอาคันบริสุทธิ์มาตลอดตลอด7ชั่วสกุลเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดคัดค้านรังเกียจในเรื่องชาติหมายค่าว่าตระกูลของเขาเนี่ยไม่มีการปะปนกับคนระดับวัรณะอื่นเลยฝ่ายพ่อพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของพ่อเป็นพรามมาแล้ว7ชั่วโคตรนี่นะชั่วยุคน ฝ่ายแม่ก็วันนพรามแม่ของแม่ของแม่ของแม่ของแม่เป็นวรนนพรามมาเจ็ชั่วอายุคนไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพรามไปเอากับจันทาร์จันทาร์ไปเอากับกษัตริย์มันวุ่นไปหมดไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะก็คือบริสุทธิ์มาดีแต่ก็มีอย่างอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะสมัยใหม่ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดาและวัฒนธรรมอินเดียสมัยใหม่เนี่ยเริ่มไม่ค่อยเกี่ยงวันณะละะนั้นจันทาร์ไปแต่งกับพรามก็ได้เนี่ยนะอย่างดรเอ็มเบดกาเนี่ยก็แต่งงานกับ ด็อกเตอร์คนหนึ่งะนะที่ที่เป็นเป็นนางวร น, นะพรามอยเงี้ยก็เป็นวันณจันทานไปแต่งงานกับวรรณพรามเชื่อซึ่งลูกหลังมาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ละแต่ว่านี้พูดถึงฝ่ายซูเมตบัณฑิตเนี่ยนะเป็นผู้ที่เกิดในวั น, นะดีมันไม่มีผู้ใดคัดค้านในเรื่องชาติตระกูลรังเกียจในเรื่องชาติตระกูลรูปร่างก็สะสวยหน้าชมหน้าเลื่อมสายประกอบด้วยผิวพรรณเนี่ยงดงามอย่างยิ่ง เขาศึกษาจบไตรเพศพร้อมทั้งคัมภีนิคันดุศาสต์เกตุภัสศาส์ทั้งอักขระประเภทครบ5ทั้งคัมภีร์อิติหาสาชำนาญในบทกีชำนาญในไวยากรณ์ชำนาในโลกายตนาศาสตร์คัมพีรมหาปริศลักษณะศาสตร์พันก็ถือว่าเป็นผู้ที่จบวิชาเนี่ยนะคือคือถ้าสมัยนี้ก็คือสาขาศาสนาปรัชญาจิตวิทยาพวกเนี่ยจบหมดเลยแล้วก็คำพี์ประเภทต้นไม้ใบหญ้าพฤกษศาสตร์ แล้วก็พวกอักษรศาสตร์เนี่ยนะก็คือจบทุกสายสายวิชาประเภทใช้ใช้หัวนะประเภทใช้ความจำใช้ศิลปะรายงานประเภทนั้นจบหมดเลยแต่ก็ไม่มีพวกวิศวะอยู่ในนี้นะแต่เนเขาก็ถือว่าเน้นประเภทการะนะสายศึกษานะเป็นวิชาสายศึกษาเป็นหลักแต่มารดาบิดาได้ตายเสียครั้งเขายังเป็นเด็กรุ่นก็แปลว่าหนุ่มพอเรียนจบ เรียนจบทุกวิชามาหมดไม่นานเท่าไหร่พ่อแม่ก็ตายสหายหรือผู้จัดการกองทรัพย์รกผู้จัดการมรดกประจำตระกูลของเขาเนี่ยก็นำบัญชีทรัพย์สินมาแล้วก็เปิดห้องหลายห้องที่เต็มไปด้วยรัตนะต่างๆมีเงินมีทองแก้วมณีแก้ ว, ม, กวมุกดาเป็นต้นบอกถึงทราบว่า ค่าแต่นายนมนี่ทรัพย์สินส่วนของมารดานี่ทรัพย์สินส่วนของบิดานี้ทรัพย์สินส่วนของปู่ตลอดจนชั่วสกุลเขามีจดบันทึกไว้หมดเลยอันนี้ของพ่ออันนี้รุ่นพ่ออันนี้รุ่นปู่อันนี้รุ่นปู่ของปู่อันนี้รุ่นปู่ของปู่ของปู่ของปู่ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บเก็บก็บก็บก็บมรดกของเก่าเนี่ยนะสะสมมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะนี่ฝ่ายแม่ั้งอ่ะฝ่ายแม่นี่เก็บรวบรวมรวบรวมมา ในที่สุดเขบอกมอบยกให้ทั้งหมดว่าท่านจงดําเนินการจัดการทรัพย์นี้เถิดเขาก็รับวาสาทุแล้วก็ทําบุญทั้งหลายอยู่ครองเรือนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าถึงความหลังของพระองค์ให้ฟังว่าในนครอมาราวดีมีพราหมณ์ชื่อว่าสุมเมศสะสมทรัพย์ไว้หลายโกรธมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนจบคมภีไตรเพศในลักษณะศาสตร์อิทธิศาสตร์หาศ า, าสตร์ ก็บรรลุถึงฝั่งในพรามมณธรรมของตนแปลว่าในลทัทธิวณพรามของเขาเนี่ยเขาจดจําได้หมดทุกอย่างและพวกนี้มันไม่ใช่เรียนผ่านเฉยๆสอบได้นะแต่หมายความว่าจําอยู่ทั้งหมดทุกอย่างอยู่ที่ปลายลิ้นหมดเลยเนะี่ยไรได้หมดเลยส่วนขยายสัย์จะไม่เน้นขยายนะเน้นลงรายละเอียดหน้า170ย่อหน้ากลางว่าต่อมาวันหนึ่งท่านโซเมตบัณฑิต เป็นบัณฑิตผู้เพลิดเพลินอยู่ด้วยกองคุณ1ิบประการนั้นก็อยู่ในที่ลับณปราศาทชชั้นบนนั่งขัสมาธิคิดว่ า, านะคือเขาเป็นผู้ที่สังสมม า, าสังสมบุญมานานสั่งสมบุญมามากานะปรารถนาะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยด้วยใจเนี่ยนะมาแล้วเจ็อสงไขยเปลงวาจากล่าวอีก9อสงไขยเพราะบุญเก่าอุปนิสัยเก่าความที่เขามีปุเพกตะปุญญตามาเป็นอย่างดี ทำให้เกิดโยนิโมนสมนัิการผุดขึ้นก็เลยมาคิดขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าการถือปฏิสนธิในภพใหม่นี่เป็นทุกข์ปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยขึ้นชื่อว่านักคิดแบบนี้เขาไม่ใช่ว่าแค่เกิดในท้องใครคนใดคนหนึ่งแล้วทุกข์เขาไม่คิดแค่นี้หรอกเขาคิดบอกว่าถ้าเกิดในนรกเนี่ยถ้าประถือปฏิสนธิในนรกในเปรตในอสุรกายในเดรัจฉานถ้าเชื่อมต่อไปอปฏิสนธิเนี่ยแปลว่าการเชื่อมการต่อ ต่อเฉพาะที่นรกต่อเฉพาะที่เปรตที่เดรัจฉานที่อสุรกายที่มนุษย์ที่อ่นะโดยเฉพาะในในโลกที่ระดับล่างๆกามาภูมิทั้งหลายเนี่ยนะมันก็เป็นทุกข์นี่เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยการแตกดับแห่งสรีระในสถานที่เกิดแล้วเล่าก็เป็นทุกข์เหมือนกันพอพอเกิดมาแล้วเนี่ยนะสัตว์ที่เกิดมาแล้วที่จะไม่ตายไม่มีเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเดินไปสู่ที่สุดคือความตาย เพราะฉะนั้นการที่ร่างกายมันแตกสลายไปนี่มันก็เป็นทุกข์เพราะมันค่อยๆแตกใช่ไมไม่ได้แตกทีเดียวแบบระเบิดอะไรเลยไม่ใช่แบบนั้นไหมค่อยๆแตกใช่เนื้อมันค่อยแตกเลือดมันค่อยแตกร่างกายมันค่อยมีปัญหาเริ่มในที่สุดก็ตายจริงนั่นแหละก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเรามีชาติชราพยาธิมรณะเป็นธรรมดาเราเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือปกติของชีวิตเลยแหละชีวิตของทุกคนเป็นอย่างนั้นจริง เกิดแก่ป่วยตายเกิดแก่ป่วยตายโยมเขาเล่าว่านี่ยเขาต้องไปออกงานงานงานอะไรนะเกิดอ่าเขาเรียกว่าไปงานวันเกิดใช่ไหมงานแต่งเกิดแก่แต่งตายเนี่ยเขาเขาเขาออกแต่งงานประเภทเนี่ยเกิดแก่แต่งตายบอกอแล้วเขาไปคิดอะไรให้มันบอกไปคิดอริยศาสตร์ได้แล้วเขาบอกงั้นจะเริ่มเข้าใจอริยศาสตร์เพราะาออกแต่งงานเกิดแก่แต่งตายนะ เกิดแก่แต่งตาเออเกิดแก่บวชแต่งตายเกิดก็วนๆอยู่งานแค่เนี้ยไปออกงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดางานครบรอบวันเกิดครบรอบวันแต่งแล้วก็ป่วยเนื่องจากไปเยี่ยมเยียนกันในโรงพยาบาลอ้าวแต่งรืองแล้วก็ตายวนๆอยู่อย่างนี้แหละนี่คือปกติของสัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้อ่ะนะ เราเป็นอยู่อย่างนี้ก็ควรจ ะ, สะแสวงหานิพพานที่มันตรงกันข้ามสิ่งเหล่านี้หมดเลยพระนิพพานนั้นไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความตายนิพพานนั้นเป็นที่จำเริญสุขอันจะพ้นจากการท่องเที่ยวคือพ้นจากพบกาบมภพบรูปประพบอรูปประพบแต่ว่าจะได้บรรลุนิพพานอ น, นั้นจะพึงมีได้ก็ด้วยมรรคอย่างหนึ่งซึ่งจะใหถึงพระนิพพานแน่แท้ เขาสามารถคิดสัจจะได้3ข้อด้วยลำบังตัวเองหนึ่งข้อแรกก่อนว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ทุกคนมีปกติธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ทีนี้มันมีตรงกันข้ามที่ตรงกันข้ามกับเกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่านิพพานแต่นิพพานอ น, นั้นมันต้องบรรลุได้ด้วยมรรคน ะ, ะทั้งคิดได้สัจจะสามทุกขสัจเนโรสัจจะและมรรคสัจจะ คิดโดยโดยจินตามายะปัญญาเนี่ยนะโดยโดยบุญเก่าที่สั่งสมอุปนิสัยมาดีก็สามารถใครครวญต่อไปได้พันพระองค์ก็กล่าวเป็นคาถาว่าในครั้งนั้นเรานั่งคิดอยู่ในที่ลับอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดใหม่และการแตกดับแห่งสริระเนี่ยเป็นทุกข์ครั้งนั้นเรามีชาติชราพยาธิเป็นธรรมดาจำเราจักต้องสแสวงหาพระนิพพานซึ่งไม่แก่ไม่ตาย เป็นธรรมที่เกษมถ้าใครเราผู้ไม่เยื่อใยไม่ต้องการจะพึงละกายอันเน่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยซากศพต่างๆไปเสียมักใดมีอยู่มักเนี่ยจะต้องมีมักนั้นไม่เป็นเหตุออกจากทุกข์ก็หาไม่ได้มักนั้นต้องเป็นเหตุจะออกจากทุกข์แน่นอนจำเราจักต้องแสวงหามักนั้นเพื่อหลุดพ้นจากภพคิดว่าคิดจะต้องหาข้อปฏิบัติแล้วจะได้พ้นจากภพ พูดถึงความคิดของท่านสุเมธเนี่ยนะถ้าใครเรียนปฏิสัมพิธามมัชอาทีนวายานกับสันติบทญานเนี่ยจะรู้ว่าเขาเขาคิดได้ลึกซึ้งมาก น, นะในปฏิสัมพิธามมัชเนี่ยนะอาทีนวอ า, อาทีนวายานนิเทศเนี่ยที่กล่าวถึงวัตถุแห่งอาทีนวายาณกับสันติบทญาเขาเขามาคิดว่าชาติเป็นภัยอัจฉิความดับชาติปลอดภัย อันนะัชาติเป็นเป็นทุก์การไม่มีชาติเป็นสุขชาติเป็นอมิตรการไม่มีชาติเนี่ยเรียว่าไม่มีอมิตรนิรามิตรเนี่ยนะไม่มีอมิตรชาติเป็นสังขารความไม่มีชาติเป็นนิพพานเขาคิดแบบนี้เลยนะวัตถุในในอาทีนวายานปฏิสัมพิธามมัชเนี่ยแยกแยะเอาไว้อย่างนั้นจริงจริงพันสุเมธบัณฑิตนั้นคิดได้ลึกซึ้งในระดับพื้นฐานอาทีนวานุปัสนาญาณที่แยกแยะออก โดยจินตามียาญาณในระดับสันติบทญาณรู้จักวัตตะและวิวัตะแยกแยะสองส่วนนี้ออกว่าวัตตะเป็นอย่างนี้วิวัตะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ยังไม่มีความเข้าใจพอที่ว่าปฏิบัติออกจากวัตตะทำอย่างไรเนี่ย น, นะไม่ไม่รู้เพราะว่าไม่ใช่วิสัยนะก็ยังไม่มีความสามารถพอที่จะไปคิดประชุมอริยมรรคได้แต่แยกแยะออกละว่าวัตตะกับวิวัตะแตกต่างกันอย่างไร และข้อปฏิบัติเพื่อวิวัตต์ต้องมีแน่นอนอมีคำหนึ่งอธิบายว่านานากุณะปะปูะปริตังเนี่ยนะถ้าะไรเราพึงเป็นผู้ไม่มีเยื่อใหญ่ไม่ต้องการจะต้องละทิ้งกายอันเน่านี้ที่เต็มไปด้วยอสุภะต่างๆนะซากศพหรืออสุภะต่างๆมีอะไรบ้างในกายเช่น อ, ปอุปสวะอุจระน้องเลือดเสมหาน้ำลายน้ำมูกเป็นต้น แล้วก็มรคเนี่ยที่เป็นเหตุที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานเนี่ยจะต้องมีอยู่นะจำเราจะต้องสแสวงหามรคอันนั้นทีนี้เปรียบอุปมาว่าคือความที่ใครที่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทาอย่างถูกต้องคนเหล่านั้นจะอุปมาได้เปรียบเทียบได้ท่านก็เลยมาเปรียบเทียบถึงถึงสิ่งที่ท่านคิดและสิ่งที่ท่านกำลังจะสแสวงหา คือท่านรู้แล้วหรืว่าชีวิตของทุกชีวิตนี่มันอะไรเกิดแก่เจ็บตายทุกแน่นอนเกิดใหม่ก็ทุกอีกแน่นอนสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความเกิดแก่เจ็บตายสุขแน่นอนดีแน่นอนปลอดภัยแน่นอนข้อปฏิบัติหนทางที่จะทําให้เข้าถึงความสุขเหล่านั้นจะต้องมีทัานก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนอย่างว่าธรรมดาความสุขถือว่าเป็นค่าศึกของความทุกข์มีอยู่ฉันใด เมื ga, huh. ่อความเกิดมีอยู่ความไม่เกิดอันเป็นค่าสึกของความเกิดนั้นก็พึงมีฉันนั้นนะความสุขนี่เป็นค่าศึกศัตรูต่อความทุกข์ถ้ามีความสุขก็กําจัดความทุกข์ออกไปถ้ามีความเกิดพระนิพพานที่ไม่เกิดพระนิพพานเป็นธรรมที่กําจัดความเกิดถ้าถ้าใช้คําว่าเกิดรับแก่เจ็บตายเนี่ยเท่ากับพูดหมดแล้วพระนิพพานเป็นที่ไม่แก่พระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ป่วยพระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ตายพระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาพระนิพพานไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและเวีย ญ, ญาณเป็นต้นเนี่ยนะก็เริ่มคี้ต่อไปอันหนึ่งเมื่อความร้อนมีอยู่ในโลกนี้ถ้าความร้อนมีอยู่ก็ยังมีความเย็นที่ระงับความร้อนนั้นก็มีอยู่ฉันใดพระนิพพานนั้นเป็นเครื่องระงับดับไฟกิเลสเนี่ยนะคือหมายาว่า รูปเนี่ยมันร้อนนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยร้อนด้วยไฟคือราคะร้อนด้วยไฟคือโทสะร้อนด้วยไฟคือโมหะเป็นต้นพันนิพานเป็นที่ดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะก็ต้องมีฉันนั้นนะก็เปรียบอะไรก็เปรียบจากร้อนและเย็นนี่แหละอันหนึ่งแม้ธรรมะอันไม่มีโทษคือความดีบุญกุศลบุญกุศลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมอันเป็นความชั่วเป็นปฏิปักษ์ต่อลาภมกอย่างเช่น เจตนาฆ่าก็มีเจตนาเว้นจากการฆ่าเป็นปฏิปักษ์เจตนาอธินาทานก็มีเจตนาที่เว้นจากอธินาทานเป็นปฏิปักษ์อากุศลธรรมทั้งหลายก็มีกุศลเป็นปฏิปักษ์นี่ขนาดบาปยังมีบุญมาเป็นปฏิปักษ์ชันใดเมื่อความเกิดความเกิดนี่ถือว่าเป็นฝ่ายฝ่ายที่ชั่วชา ม, มากชั่วยังไงก็เช่นเกิดในโรกก็ชั่วอยู่แล้วล่ะแม้นิพพานที่นับได้ว่าไม่เกิดเพราะห้ามความเกิดได้ ก็เพิ่งมีฉันนั้นเริ่มคิดเนี่ยนะเริ่มอะไรนะเริ่มเปรียบเปรียบเทียบระหว่างเย็นกับร้อนเปรียบเทียบระหว่างอะไรสุขกับทุกเปรียบเทียบระหว่างความชั่วกับความดีแล้วแยกมองระดับสูงคือคนที่จะคิดธรรมะเนี่ยคืออย่างว่าเขาไม่ได้คิดอะไรที่มันละเอียดทีเดียวเลยเขาเริ่มมองภาพแบบใหญ่ๆก่อนอ น, นะเหมือนมองประเทศไทยมันก็ต้องมองเป็นภาคก่อนใช่ไหม ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็มาแบ่งเป็นภาคๆและค่อยมาแต่ละภาคมีจังหวัดอะไรบ้างและแต่จังหวัดมีอำเภออะไรบ้างแต่ละอำเภอมีกี่ตำบลและแต่ละตำบลมีกี่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีกี่หลังคาเรือนแต่ละหลังคาเรือนนี่มี กี่คนแต่ละคนเนี่ยมีการศึกษาระบบการเป็นอยู่ครองชีพอย่างไรเป็นต้น เ, น mm hmm. เขาจะค่อยๆลงรายละเอียดฉะนั้นเขามองภาพใหญ่ๆก่อนชั้นใดในอริยสัจก็เหมือนกันเขาจะมองเรื่องระหว่างสัจจะสองกลุ่มฝ่ายวัตตะกับวิวัตะวัตตะนี่จะมอง2 ส, ส่วนคือระหว่างทุกขษัตริย์กับนิโรสัตว์ความทุกข์กับความดับทุกข์พระงตรัสเล่าเสมอนะแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็บอกว่า ทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เรากล่าวแต่ความทุกข์กับความดับทุกข์จริงนะคำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่สองอย่างกล่าวความทุกข์กับความดับทุกข์ทุกมีเหตุหรือไม่มีเหตุมีเหตุเท่ากับกล่าวสมูทายแล้วความดับทุกข์นี่อยู่ๆแล้วมันดับมันเองใช่ไหมหรือมีข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์มีเพราะถ้ากล่าวว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็กล่าวแต่ความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นก็แปลว่ากล่าวนิโรธกับทุกข์ษัตริกับนิโรธจั ข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงนิโรธสัจจะก็คือมรรคสัจจะเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายก็คือสมุทยัทยสัจจะเพราะ ว, าวิธีคิดเขาจะคิดอริยสัจเนี่ยเป็นเป็นโครงรวมเป็นองค์รวมและเป็นองค์หลักไว้ก่อน พระองค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าเมื่อทุกข์มีอยู่ธรรมดาสุขก็ย่อมมีฉันใดเมื่อพบมีอยู่แม้ภาวะที่ไม่ใช่พบบุคคลก็พึงปรารถนาฉันนั้นแม้เมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นตรงกันข้ามก็มีอยู่ฉันใดเมื่อไฟสามกองมีอยู่นิพานเครื่องดับไฟสามกองนั้นนบุคคลก็พึยงปรารถนาฉันนั้น เมื่อความชั่วมีอยู่แม้ความดีก็ย่อมมีฉันใดเมื่อชาติมีอยู่ธรรมะที่มิใช่ชาติคือพระนิพพานบุคคลก็พึงปรารถนาฉันนั้นทุกมีอยู่สุขนะพบกับมิใช่พบอันนั้นเป็นระหว่างนิโรสัจะกับทุกสัจจะทุกสัจจะอนัคาถาที่หนึ่งะสามบรถทัดแรกว่าทุกมีอยู่เมื่อทุกมีอยู่ก็มีสุขพบมีอยู่ก็มีสิ่งที่ไม่ใช่พบอันนั้นระว่าเปรียบเทียบระว่าง ทุกขสัตว์กับนิโรสัจจะทีนี้บอกว่าเมื่อไฟมีอยู่เอ่อเมื่อความร้อนมีอยู่ก็ยังมีความเย็นเมื่อไฟมีอยู่นิพานเป็นที่ดับไฟก็มีอยู่ก็เปรียบระหว่างสมุทัยศาสตร์กับนิโรสัจจะ น, นะ <c oughs> ข้างล่างอีกก็บอกว่าเมื่อความชั่วก็ยังมีความดีมีชาติก็ต้องมีธรรมะที่ดับชาติอันนั้นก็เปรียบเทียบระหว่างทุกข์กับทุกขสัตว์กับนิโรสัจจะอีกเนี่ยนะเปรียบเทียบอย่างนั้นอยู่ อธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อความเกิดมีอยู่แม้ธรรมะคือความไม่เกิดบุคคลก็เพ่งปรารถนาเมื่อไฟเป็นสามกองมีอยู่นิพานเป็นเครื่องดับไฟคือราคะเป็นต้นทั้งสามกองนั้นบุคคลก็ควรปรารถนาเมื่อความเกิดมีอยู่นิพานคือความไม่เกิดหรือเป็นธรรมะเครื่องห้ามกันความเกิดนิพานเนี่ยแปลว่าเครื่องห้ามเกิดนะเครื่องป้องกันการเกิดเครื่องป้องกันพบ หมายว่าถ้าตรัสรู้นิพพานแล้วเลิกเกิด น, นะเพราะตัวนิพพานเนี่ยเป็นเป็นธรรมที่ดับความเกิดก็เลยคิดได้พอคิดเสร็จคิดต่อไปอีกว่าเอ๊ะทำไงดีเมือม่อเมือ่อแยกเข้าใจแบบนี้แล้วนะขั้นก็เลยมาคิดต่อไปอีกว่าบุรุษผู้จมอยู่ในกองอุจานะออจาระเนี่ยนะตกบ่ออุจจาระเนี่ยนะและเห็นหนองน้ําที่มีน้ําใสประดับด้วยบัวหลวงบัวซ้ายและบัวขาวสระน้ําใสเนี่ยนะ ก็เป็นสระน้ำที่บุคคลควรสแสวงหาหนองน้ำด้วยคำหนึ่งว่าควรจะไปที่หนองน้ำนั้นโดยทางไหนเนอะตอนนี้จมอยู่ในห่วงแห่งคโครนตมที่มันร้อนเนี่ยนะ